วันนี้เป็นวันพระแรมสิบสี่ค่ำเดือนหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่สิบหกธันวาห้าสองเป็นวันพระใหญ่แล้วก็พร้อมกันวันนี้พอตูหนวดเพิ่นเสียไปนะประตูตู้หนวดเสียไปมรณะผ้าไป ได้หนึ่งปีหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันแล้วก็แม่ตู้ของพระตู้หนวดก็ได้เสียไปวันวานวันก่อนได้ประชุมเพลิงเมื่อวานนี้ห่างกันหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งวันแสดงว่าตู้หนวดของเรานัดไม่ออกเพิ่นนะเนื้อเท่าน่านัดพบกันเนะ่าประา หนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งวันเด้อแม่ตู่ก็เลยไปนั่มเด้ไปช่มเพิ่งน่ะเอ็ดจังไรล่ะเกิดแก่เจ็บตายพวกห้านี้บอลล่อพนล่ะเ่บกเกิดแก่เจ็บตายเอาตอนนี้ไปก็ให้ตู่เดือนเป็นผูกก้าวค้ำถวายท่านนะตู่เดือนนะอบุตทิดชวนกุศชวให้แม่ตู่พ่อตู่แม่ตูเนะ่เอาแม่ตู่เป็นรับ แล้วก็ให้โบงสาขนายาดพังรับส่วนบุญชนกุศลมื่อไหนทำบุญหาแม่ตูเก็บกระดูกมือเศรุ่เนี่ยเก็บดูกบันมือเศรุ่นเนี่ยนะเอาหันหน้าไปทางพระประธานไหวพระสะกอร์阿拉หังสวาคัตโสุปฏิปโนตะก่อนจากนั้นจะกาวขําถวายท่านโอ้ตูขาเนี่เอาครบสูตรเลยตัวนี้ไหมไหวพระพร้อมสมาท่านศิลป์พร้อมยิ่งคอยกาวค้ามถวายท่านเนี่ยเอาครบสูตรตัวนี้ไหม เอาต่อไปตั้งใจสมท่านศีหน้าก่อนที่จะถวายท่านให้คณะสัทธาญาติโ ย, ยมหลูกลานที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลหาแม่ตูแม่ตูอุดมเตะพอตูสกุลแม่ตูอุดมที่ล่วงรับรับขันไปแล้วนะเมื่อก่อนเพิ่นได้ไปชุ่มเพิ่มมือวานเนี่ยมือเศ้าน ไ, ได้เก็บดู พอ ม, ทมาทำบุญอุทิศวนคุณชนหาแม่ตูดีขึ้นกันนะเพราะว่าลูกหลานยุบันอื่นบันไกลที่มาเผาศพทรงสาการเพิ่นก็นจะได้เฝ้ากับเมื่อทำการทำงานคู่มือมันเศรษฐกิจมันรัดตัวที่อยู่แบบตะกอนเธอเขาเอาไว้เจ็ดมื่นตะกอนก็คงจะชาไปแต่กระโเป็นยังอก เพิ่นตายไปแล้วเพิ่งกิเบิ่งหลูกเบิ่งล้านเพิ่นล่อแลยเข้ากับเฝ้าทรงให้เพิ่นตัวเพิ่นเจได้ไปไส่เพิ่งก็เจได้ไปไปเยี่ยมหลูกเยี่ยมล้านไปสวรรค์สันฝาจันไดรเพิ่งก็จะได้ไปตัวบนตรงรอ่อหลูกหล้านเฝ้าเตรียมให้เตรียมเขาใส่เงินใส่พกใส่ห่อให้ไปเดินแม่ตูเดินบันหลูกล้านหาให้แล้วว่าจะไหน แม่ตูหาตะกรกหาแล้วปราหาตายไปและลูกหลานกนหาให้อีกคนไปถ้าบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เมืม่อนี้เมื่อวานเนี่ยมิชาในี่ยจ เ, เก็บอธิธฐานกระดูกเพินินบ้านนี้ยกับัณคณะนี่ก็จะเดทำถวายพัฒหารพระสงฆ์แล้วก็กอนทีจะถวายอาหารถวายเครื่องรตยท่รมพวกเขาก็ได้ไหว้พระสมมารทรนศีลกอน อันนี้ก็ได้ไหวาพาแล้วขออารัธนาสินขอสินนะตอนนี้ไปลกพอ่อจีได้ให้สินเนี่ยวนนี้เนอะผ้านันานมสมาท่านสินโมมันให้สินดอกผ้านัมสมาท่านน ะ, นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้ไงให้มารับโชนบุญโชนกุชน้ำเงอนีอนทั้งมัด <c oughs> นี่เบอกเมน้นทัท่สันโตเนาะเออเม้นแต่ พ, พอตู่สองเมตูอ่ะเท่านั้นเลยลูกหลานญาติพี่น้องว่องสาข้านายญาติผู้ใดจะมามีสิทธิจะมารับส่วนบุญส่วนกุศลพวกลูกหลานได้ทาบุญมันเ อ, พองพร้อมที่จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แตออ่ พ, พอตู่กับเมตุเท่านั้นแหละพอเฮ้ามันมีพี่มีน้องในอดีตชาติก็มีในปัจจุบันชาติได้ก็มี เพราะนั้นพวกเข้าใด้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลทุกครั้งก็อุทิศส่วนกุศลให้เปี่ยตายาททั้งหลายคือยังพระเจ้าพิมพิาสารนนะิ่งสน่ะต่งพระเจ้ากระักดิ์ภพศักชาตินํามมาอุทิศมาขอกุศลกับพระเจ้าพิมพิสารอยู่อันนี้คือกันนะ่ะไผสิพูดจักว่างานพี่น้องแต่ละคนนะพอะมาทําบุญมันนี่เลยโอ้มัอนี่ พออุ่มสร็ทำบุญด้เหมือนกับญาติพี่น้องนี่พวกเข้าเป็นพี่น้องเปนตอวไปไปค่อยรับ่วนบุญควรโซนกุศลพอม้ออนเลยให้จึงเตมไตูกับพอตูนมาห้านั่นน่ยพวกนั้นเราเทนาหมอยซ่ยลอยอยู่บริมี่วนแบงบไิมเน๊ะเนี่ยนั้นเข้าตงมีเอ้วบริมสิมาหับ่วนบุญโซนกุศลจากผู้ข่าวภาษาข้านายญาติผู้ขาจะให้มัดคู่ขู่คู่คนเด้อบุญกุศลให้ข้านี่ฮะเข้าตรงคิดใจกว้างขวางสั่น อุฒิส่วนกุศลให้พอตู่หลวงพอยังบอกลุงญาติพี่น้องของหลวงพอ่อเนี่ยลุงเจ๊เวลาทำบุญอุฒิส่วนกุศลให้ให้แต่ผู้นี้จูมกัดนั่งดวงมัไปมาทั้งแล้วตาเจ๊ ก, ก็เลยโมโหมันไปขาไปสิงคนมาในงานทำบุญหนึ่งจังมนีแล้วมันไปผู้อื่นลงจากสลามัดทอนไป อันนั้นค น, คนทางอื่นในะคนทางเมืองอุบัติมันไปมันเป็นลูกเขยแถวนั้นแ่ะมาแล้วนอนแบบลงไปละนอนเมเป็จะไรเนี่ดีดขาตับต๊บตับต๊บตั๊บขึ้นลงเจ็กหนี่งมนไปทมน้ำไล่ไปตั้งหนาอีกตั้งหาทมอะไรไปว่าสมัยก่อนเน่ยลงเจ็กมีชีวิตอยู่เนี่ยขั้นปู่เต่าเคียดแห้งเนี่ยท่านันมันองไปเออขั้นลูกหลานเขามาหายลุงเฮ็ดยังเขาเห็ น, น<อ>ยีหมาไก่ นี่แต่เมเนอนเมือระทรมเาไล่ไปทั้งหนาวนั่ไปแล้วก็ดีดขาวนั่งไปมาแล้วมื่อนั่นเนหมอนั่นกา น, นอนเมเป้องหันะคนล่องมัดลอยน่งไปล่องมัดจากเงื่อนเราเนึ่ไปไปหากินขา้าเฮ้าอนะไรกันคือกันก็พวกเฮ้านี่แหละพอหลับพ่อนกน็ลงไปหากินเขา่าเรียงแขกเรีอนโต๊กันเนะนัไปพอถ้าหมุนอุทิศวนกุศลเนีเขาก็มีโต้มียังไงเรียงแขกเลียงค น, น, ะนะมาด้วยมาท้าหมอน่น้านอนเมเปิดเรตจนะ คางผ้าอนุนไปหันหนาวหันหนาวไประดีดขาจะตับตับทมเราไล่ไปทางหนาพิษพิดโยนลไปว่าว่าอะไรเขา่หยมันไผเนี่วันไผ่ล่องมาสั่นหอยมันโมแม่นมันผีเข่าเลยนี่เขาว่าเคยบ้านเขาเบิ่งเขาูจ้างแล้วมันผีเข่าผีสิงหมดหอยมันผีสิงตัวเนวสั่นผีเขาตัวเนียวสั่นเพราะก็มาเบิ่งเราหันไปมาฮะนี่หมอหนึ่งมันเป็นหลานหลานใกล้ิดหลง ตาเจกเดียนะูจกักกับริยาของตเาเจ็กมาแต่เก้าแก่หว่วยมันแบบนี้มันเป็นตเ า, า, า, าเจ็กกระคาเ้นี่วะสัญญญนเนี่ยน้อนเมย์ระดีดขาพอมกระทมเราไล่ไปทั้งหนาเลวะสันตาเจ็กเนี่ยุ่งเจ็กเขียดเลยถึงแบบนี้วันโกนี่หละพนว ด, ด้ป่ญญานนี้เออโกนี่แหละพนวอ้าวไปยังอีรุ่งวาสันเนี่เขาอเขาก็ถามพนวะวัไไ ป, ไปถามผีวันไปเป็นทางอีรุ่งวาสันนี่ยเขาสีวะสัญญนออสัน กูนี ah ่ยเครียดายสันเนยกูโกรธเครียดให้ลูกให้หลานว่าสันเดยก็เป็นยังเหล่าสันเนย์ก็เครียดให้เขาแห้งเดียวสันกูก็เลี้ยงเขามากขึ้นกันสันเนยเออมีอยังกูก็ให้เขามีอยังกูแต่เลี้ยงเขามากตลอดเออแต่ว่ากูให้กูอดกูอยากกูกระโบอดประหยกดรอกอันนี้สงสีนท่านกูกระมียงอันนี้สงท่านของกูกูบอดบระยั แต่กูเสียใจกับลูกกับหลานบ่ละลึกถึงกูเลยเรอสันถาวเลยไปเอเสียใจที่ลูกหลานบ่ละลึกถึงกูเลยเสนเนีเทั้งที่กูเลี้ยงลูกเลี้ยงนานเวลาทาบุญบ่เอยบ่เอยซือถึกกูเลยเสนเนพวกนั้นกูเสียใจลรเันเนียเี่ผีวาวทางพา่อเนี่ยโอ้ยยอมไล้ลุงไงว่าสันตอนนี้ไปเนี่ยบเริ่มอีลุงละบาดเนี้ว่าสันเีขอโทษขออภัยหลาย ลุงเอยมันผ่านไปอะไรให้จังไดสันอลุงได้รับชนบุญชนกุศลนะลูกหลานกับข้าลบคึ้เก่าในหลลุงเอยวะสันนี่ออกซะวาสันบ้านอะหมอนักะโป่งวงเปียงงานโรคนมาใดอีหลีนไปถามผมพ่าเจ้าป็นงยังไะมผมป็นงยังแล้วสันท้งปิ้งยังลลูกเจ็กเขาสิงเมื่อกี้เนี๋ยวสันเขาวแต่งแต่นั้นต่อมาบั้นหัวไส้ทาบุนหอยไล่แต่งแต่โคตรแ่แสบลงมาวะรถไปบานเนี่ย พรวนันพวกเขานะทาบุญอุทิศโฉนกุศลให้ใจกว้างกวาง้างออกไปเนีสิ่งที่มันบ่เห็นมันมีอด้่เลยเนี่ยพวนั้นให้พวกเข้าทําบุญอุทิศโฉนกุศลให้บัดหอยทรายเนะี่ยหนิบวเมรผู้อื่นผู้ไก่ อ, อีกวนหนึ่งไปนองพอของย่มพอหลวงพออีกเนี่ยวันไปนองย่อมพอหลวงพอผู้ที่สองติดกับหลวงพอเนีน่ยะติดกับย่อมพอหลวงพ อ, องวันไปเนี่ยทิวห้ฟังเนี่เมื่อสามสี่ปีให้หลัง หลวงพ่อไปหวยใต้บันไดหลวงพ่อกะบอยฟังเวลาเขาถวายท่านเอ้ยระว่างเนอะวะเดี๋ยวเป็นกับลุงเจดนะบ่เห็นคงกว้างไว้เ้อะหลวงพ่อกะว่าแลพานนา้พวกเขากลัวแล้วไปพวกเขาเห็นประสบประการต่อหนา้าต่อตาเขาเดสมัอวนันเป็นวันประชุมเพิ่งของคุ้มโยมอุดมโรมคุณยายอุโรมหนะลวงพ่อกะว่าสิไป ย, ยุี่แรก มาโอ้โบไวไวยรงพ อ, ออกจากวัดถึงแต่ตีสีนะ่คนน่ะม่ว่านเลยไปสามภาษาละซาสัพนวสามหาบคนนไปขึ้นในหลวงปู่เหรียญเนี่ยาาลาาหวลวงปูเนเนงป่เหรียญเนี่ยพระราชทานเพิงศพนนไปเพิ่นได้รับพระราชทานเพิงโสภัเนียแยมือเศร้านี่พเพิ่นจะเก็บดูเพือนสามหาบคนนไปเี่ยรภาษาเขาคนนมุ่มนเจ้าคุณอุดมยานโมลีวัดโพธิสมพร แล้วก็หลวงปู่ท่อนจังหวัดเลยเจ้าคณะจังหวัดเลยแล้วก็หลวงพ่อต่อสามองค์ที่เป็นผู้ขึ้นไปทำพิธีซักอเนจ่าในองค์หลวงปู่เหรียญของเฮ้าหลวงพ่อก็เลยไปตั้งแต่ตีสามตีตีสี่พ่อไปหอดคุณกับสว่างก็เลยขึ้นไปนั่นอ่ะเขาก็ได้รับทำพิธีแต่จบอุดม ญาณโมลีมาบุรีแล้วผูเ่าอยูเก้าปปีละ่ะวัดโพธิสมพรก็เลยหลวงปูทอนเป็นหัวหนาและเป็นหลวงปูท่องพู้นวัดผู้กระแต่อำเภอบึงการเจ้าคณะจังหวัดรักษาการเจ้าคณะจังหวัดหนองคายกับหลวงพ่อสามองค์ล่ำท่าพิธีสามหาบท่าพิธีสามหาบคือสำนักพระราชวังเปน เป็นผู้เพิ่นเป็นผู้เหตุมันไปแต่ก็มีดถาดลูปไปเนี่ยมแล้วก็มีผ่าขาวแล้วก็มีขีเทาแล้วมีกระดูกงกระดูกส่วนใหญ่กระดูกส่วนขาส่วนแขนหมดเอออธิษฐานของหลูกปูเหลียนมาแล้วเพม่นก็มาว่างเลยเคี่ยขีเทาให้เป็นลูบข้นขึ้นลูบในถาดขึ้นลูบเด็กหน่อยลูบนี่หัวมีค้ามีแขนเออเซ็ตแล้วกันเอากระดูกใส่ ในกระดูกทั้งศีสะทั้งแขนทั้งขาทั้งตัวก่อนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก่อให้หลวงปู่ทอนหดนำอบนำอบนำหอมเลยนะลดลงมามแล้วก็ป่ยดอกมะลิใส่ใส่ในในฝุ่นทีเ่เป็นรูปล่างแล้วก็หลวงปู่ต้องพูนเทนำอบนำหอม แล้วก็โป่วยดอกไม้มาแล้วก็ให้ลูกพ่อเทแล้วก็ป่ยดอกไม้เซตเรียบร้อยแล้วก็เพ่นไก่ซักบางสกุลอนิจจาพาตรพาดตรงที่เป็นนั่นแหะเป็นรูปนั่นอนิจจาวัตถสังคาละอุปเทวะยถาเมโนเซตเรียบร้อยแล้วเออองหนึ่งก็จ้าอาวาตไปจะอาวัตก็เทดอกไม้ไอเทศของ ที่นอบนําหอมมือกันแล้วก็ว่างโปวยดอกไม้ในรูปหลวงปูจากนั้นก็เด็กักอเนจ่าเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาให้พ่อนอย่ประล่ำพิธีเมื่อวานนเนี่ยเราหลวลงพ่อไปเนี่ยจากนั้นก็นจัดอาหารชันอาหารพอ่อฉันอาหารเรียบร้อยหลวงพ่อเลยมาทําธุระพ่อกลับมาถึงวันเที่ยงเกือบบ่ายโมงมั้งเที่ยงกวกว่าเมื่อวานเนี่ย พ่อมะฮอดเห็นพวกคู้บากําลังทิไปอยู่หลวง พ, ออพว่ออู้ไปพ่อไปหลวงพ่อเมื่อยเมื่อยแห้งนะคู้บาไปซักวะนั่นแนหะจึงไม่ได้ไปล่อยงานจบเมตุมอว่านเนี่ยหลวงพ่อออกจากปัดตั้งแต่ตีสี่วันนไปนั่นแนหะงานของหลวงพ่อไปจังจันละ้ะถึงจังไรก็ตามขอให้พวกเฮาลูกหลานทางหลายศรัทธาญาติโยมทางหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ชีวิตทั้ทงชีวิตของเห้านี่ยมันมีจุดจบจังสี่ละตายไปทีละคนทีละค น, ะคน เ, เมื่อปีก่อนเ่ืจนยังที่ว่านะประตูสกลเถือกสายเนี่ม็แฟนของเพิินแฟนของแม่ตู่ตายไปในหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งวันแล้วก็แม่ตู่ก็ตามไปอีกแม่ตู่อุดมเถือกสาย ประกอบประชุมเพิ่งมือว่านเนี่ยนี่แหละลูกหลานเยนได้มาทําบุญมือนีวันไปนี่แหละชีวิตของพวกเข้าพอแม่ปูยาตายายากตีเข้าบุญจักเกิดไม่เกิดมา้มาตาัวใดตายเทอนั้นบ่ ม, มีตัวใดจิหลีกลีน่นี้มรณะไผ่ความตายนี่ไดแต่โลกทางโลกเข้ากัยังประมาทลืมตัวสนุกสานานเพิดเพื่นเฮ่ห้ากินเหล่าเมายา สิ่งที่บดีขนมาใส่จกของตามให้จริงบ้าน่าจะเป็นยังจันเพราะชีวิตของพวกเฮาเนี่น้อยนักก่อนไปมันโปยืดมอยืดมอย่า้วด้แต่คืดเบ่งให้ดีๆแล้วเป็นเด็กหน่อยขึ้นมากเนี่กัเป็นนมเป็นสาวต่อมา ก, กับมีขอบมีขัวต่อมากับสางทนานะพ่ก็สางทานะทนะแล้วก็ลูกใหญ่ขึ้นมากกับเถาแก่สาราแหละผมเขาเข่วล้นมาเนี่ยตาฝ่าฟ้ า, ฟ า, ฟางหูหนวกหนังเหี่ยวเข้าไปล่ะหลังข่อมเข้าไปล่ะ พลที่สุดก็ถึงข้าวตายละ่ะมันก็บอกกี่ปีเจ็ดสิบแปดสิบปีกัแมนละ่ะต่างคนต่างไปละ่ะเพราะท้านชีวิตของพวกเขานี่ถ้าจะว่าไปแล้วบวกลุ่นเะยบวบลายวันไปแต่มนุษย์ของเขาก็ตั้งอยู่ในความประมาทกินเหล่าเมายาบวชจักลักอ์ส้างประกอบคุณงามความดีวัปบวไรเตรียมตัว๋วบไรเตรียมใจเอาไว้ อยูไปเรื่อยๆอยู่เป็นวันๆเดือนๆปีๆไปถ้าจะว่าไปแล้วก็ค่อยวันตายคานว่าเฮ้าอยู่ตั้งอยู่ในความประมาทคือค่อยวันตายดาเดย์คานาวะเฮ้าเตรียมพร่องก็คื อ, อยังเอไหวพระสวดมนต์นางพาวนารักษาศีลศึกษาธรรมะท้ำข้ามจังสอนของพระโพธเจ้าที่พนสอนว่าจังไดรเฮ้าก็ศึกษาเฮ้าขอฟังเมื่อเฮ้าฟังเฮ้าศึกษาแล้วหูจักแนวทางนะปะบนี้ คือวิชาอาชีพทุกอย่างก็จะมีการศึกษาได้เหตไทเขาจะเหตยังไงขั้นเหตแต่สักตะวิเหตแซื้อมั่นกระบอนั่นเด้ขั้นออกมาเหตไทเนี่ยขั้นเหตตามหลักวิชาการของเขาหรือเหตหน้าคือกันคือทํามะคา้าขายออหยังคือกันขันว่ามีหลักวิชาการในเรียนได้ศึกษาได้เรียนรู้นะมันก็จะไปได้ดีอันนี้คือกันนะขันว่าพวกเฮ้าเห็นเขาเหตไหวพักเอาไปเอาไ ป, ไ ป, ไปมาเชื่อได้บ้เชื่อเดียวมันไปเหตไปยังสั่ว์ละมันเราไป เขาพ่าเหตุคานพาเห่าเหตุด้วยการเหาศึกษาด้วยดีซะก่อนให้เข้าใจซะก่อนในการเหตุการกระทำจะดีกว่าเพราะนั้นให้พวกเห่าศึกษาศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี่คื อ, อยังให้ท่านเป็นยังไงทำไมจึงให้ท่านรักษาศีลพอเหตุใดพระวนาพระวนาอี๋ยังนี่นเห่าต้องศึกษาเขามาศึกษาในวัดในว่าเลยค่ะศึกษาในตํารับตำล่าและศึกษาฟังเถิดํา เทศนาครูบาอาจารย์จากเทปจากซีดีเรียศึกษาไปเรื่อยๆแต่ละวีแตละวันเหมือนความรู้ความฉลาดของเฮากยันกว้างกว้างไปเลยเพราะเฮาใส่ใจเพราะการศึกษาคณะว่าเฮาบริใส่ใจในการแต่ยิ่งแต่ฟังเฮากับบ่งหูขึ้นกันเดย์เขาบอกจะนั่งเปไปตามเเพือเพือบอเสื้ออีกสั่งๆถึงเฮาจะเสื้อหรือบุเสื้อก็ตามชีวิตของเฮากดมีจุดจบขึ้นกัน คือการขับคนทัวๆไปขนันวาผู้ที่ได้สร้างบุญสั่งกุศลจะตายขึ้กันวันไปไอ้คนบ่ได้สั่งบุญสั่งบาปอักุชนก็ตายขึ้กันหั น, น, น, ตนแต่ว่าคนตายดีกับคนตายบุดีต่างกันเลยไอ้คนที่มีบุญมีกุศลมีความหวังไอ้เพื่อตายไปแล้วกันไปสู่สุคติสวรรค์ชันพร้มขันว่าผู้ใดตาย พอได้เตรียมการเตรียมตัวไว้ตายไปก็ตกนกนะรกพอได้ทําทํากรรมชัวม่วไว้ด้ผู้โบเสือดนะ้วยบเสือบาบาปบุญคุ้นโทษมีนรกสวรรค์มีเฮ้าก็เลยเหตุแต่กรรมชัวม่วสิ่งไหนที่มันซัวเฮ้าโบเสือแต่ว่ามันมีิภพนาชาติหนาวเฮ้าก็เหตุแต่ในสิ่งที่มันบอดีในเมื่อสิ่งบอดีทํากรรมชัวม่วกรรมชั่วมก็ให้ผลนําพอกพุ่นไปเลยๆพ่อตายไปแล้วเจ้าที่เสือหรือโบเสือก็ตามเน่าั่น เจ้าสีเสือบ่มีคุกบ่มีคุกกระทำตา่าว่าเจ้าขายยาบ้ายามาไปป่นไปจีเขาเลยเจ้าต้องติดคุกแน่นอนอีกสักมือหนึ่งคางนานะตำรวจเขาวาจังสันได้อันนี้คือกันพญายมพอบานเขากาว็วาจังสันขึ้นกันแต่ว่าเจ้าสีเสือเรือบเสือก็ตามบ่มีซิทหอดมือดัน เ, เดี๋ยวเขาทิ่เขาห้องจิจัดการเองเหมือนกันเขาว่าเอพอตายไปแล้วก็จับโยนลงนรกมกใหม่ไปแล้วไปเกิดเป็นชัดทิทิชงนะชานเป็นเป็เปด ไปแล้ววนะันนั้นไปเพเหตุใดเพราเาท่าถำกรรมชั่วถึงเท่าจิเสื้อหรือบุเสื้อเอบ่ยมีความหมายเลยในจุดนั้นเพราะนั้นให้เทาเตรียมวัศึกษาเอาไว้ให้เสื้อตามท้ำข่ำสังสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้พระพุทธเจ้าผลว่าตายแล้วเกิดอีกแด้วตายแล้วบ่สูงเนะี่มนุษย์วิญญาณไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้เนะี่ถ้าว่าผู้ใดถ้ำกรรมดีบุญกุศลจะเขามา เป็นเพื่อนสองในเมืองใจขาดแล้วขันว่าภูดทยถกำกมชั่วบาปกุศลจะเป็นเพื่อนสองอเป็นผู้พาน่ำไปสู่ถุ ก, กติภูมติต่างๆเพราะนั้นยังในข้างพระพุทธเจ้ามีเทวบุตรเพื่อนมันถามพระพุทธเจ้า มีเท ว, วดาองค์หนึ่งเพิน่นขึ้นไปอยู่ในสวรรค์อชั้นจาตูมไอชั้นดาวดึงเทียวพุธอยู่ชั้นดาวดึงมัไปมีบริวารหลายเลยแต่ น, นี่นั่งเท ว, วดาผู้นี้กิถึงข้าวเพื่อไปเก็บดอกไม้ในสวงสวรรค์มัไปเป็นระดูการเป็นระเป็นระดูการเก็บดอกไม้มันไป เที่บุเที่ยวดากระไปน้ำกันไลายัอนออกไปเ อ, อีเป็นพวงเป็นพวงเพราะเที่ยวดาบพมีแนวเหตุงานเนี่ยเป็นบอดีเหตุการ์เหตุงานเนี่ยเป็นสูงไว้ความสุกกันออกไปคือกันครับเพามีเงินหาเงินอะไรไปเที่ยวเมืองนอกลักษณะบอได้ขึ้ไปทํามากค่าขายกันไอไปมีแต่ไปคึดไปใส่เงื่อนทีสิอันนี้คือกันคือไปอยู่สวรรค์เนี่ยไปใส่บุญกันไปบุญกุศลที่สางไว้แล้วนะมีความสนุกสนานเปิดเพิ่นเฮ่เเฮห้าเราก็คนมีบุญหน่อย อก็ใส่ยังกละมัดระวังวนไปขันว่าผู้ใดมีบุญหลายมียังเกือกเกี่องเอืออำนวยมดทุกอย่างวันออกไปพราะคนมีบุญหลายมันต่างกันขึ้นกันไปอยู่สวรรค์กับแบงกันขึ้นกันกับมนุษย์เท่านี่แหละมนุษย์เท่าขึ้นกันจะว่าแบงกับแบงคือว่าวเวแงกับแมนเป็ดมนุษย์ขึ้นกันดูแต่บวกขึกันวันออกไปแต่บางคนก็โอรู้หลาโออาไปใส่ก็สะดวกสบายเพราะเห็ุไดเพราะเขามีเงิน มนุษย์เทวดาขึ้นกันขันว่าไปอยู่สั้นสวรรค์นั่นสิขันว่าเทวดาผมมีบุญหลายก็อยู่ในฐานะหนึ่งขันว่ามีเทวดาบุญเทวดาพุทธเทวดาผู้ใดมีบุญหลายเขาก็อยู่แบบหรูหลาโออาเนี่ยขึ้กันกับมนุษย์เท่าเนี่ยแหละคือกันมนุษยไปที่ว่าแบ่งกัมเนที่ว่าบเณนแบ่งศาสตร์สันมณกะเณนที่ว่าบเณบแบ่งกัมเนแต่ว่าเท่านะว่าไม่มีชนชั้นไป คือกันเมนยูคือกันมนุษย์คือกันแต่ว่ากูนึงหูหนวกตาบอดมันแบ่งอยู่ในตัวของของแต่ละค้นคือกันหมดไปแล้วก็ความร่ำรวยกับแบ่งคือกันบุญกุศลนี่คือกันนั่นแหละบาเนี่เที่วเที่วดาองคเนี่ก็เลยไปเป็นบริวารของเที่ยวโบ๊ทองหนึ่งกาลังปีนขึ้นต้นไหม่เก็บดอกใหม่มาโต๊ะบาเนี่ยมดบุญเลยเทวดาอมดบุญเลยเฮ้ยใครว่ามืดมดบุญหนึ่งมันหมดจัดปัดเลยเด้ แต่ว่าเจ้าของหูเนี่ยเจ้าของผู้ที่ผู้ที่จะมดบุญเนี่ยเขาว่าเงื้อออกในร่างกายผิวพันเอผิวพันเนี่บสดใสเครื่องประดับตกแต่งกับเสาร์หมองกันไปหู้แล้วกันไปโอ้ผู้ขานี่ซิมดบุญเลยได้เนี่ยขั้นเบิงเจ้าของยังชั้นเละแปลว่าสิมดบุญเลยเที่ยวดาผู้นั้นมันไปจานนั่งขมัดปับดป๊บสิมวได้เผากระดูก เผผีจีกระดูกยังเมืองมนุษย์ตัวนึ่งไปพ่อเมดแล้วก็ไปว่าแล้วไปเลยเพราะมามีลูกประทําเลยมันมีแต่น้า ม, มาทําเทวดาที่เมิดบุญแหละพอแล้วก็แวบลงมาลงมาเพิ่ง ก, ก็มาที่เกิดไซนอเทวดาปัญญามาเกิดอยู่ในเมืองในกุงสวัตถีป่ะเนะี้พ่อในกุงสวัตถีพ่อเกิดมาเป็นเด็กน้อยเกิดเด็กน้อยขึ้นมา ก, กอะระลึกชาติโอ้ผู้ขานะลงมาจากสันสวรร์สันดาวดึงตัวนี้ ในคณะที่เก็บดอกใหม่อยู่วะท่านลงมาลงมา ก, ก็มากเกิดขึ้นมาแล้วกัพ่อลูดเดียงสาผ้าวาขืนมาอะไรกัประกอบคุณงามความดีสางบุญสางกุศลท่าบุญกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าจิตในจิตใจยังคืนโอ๊คันว่าผู้ขาตายไปแล้วก็ขอให้ผู้ขาได้ไปเกิดอยู่หม่งเกาเด้อวะท่านเออห้เป็นเที่ยวบริวารของเที่ยวบุตรองค์นั่นละ่ะองค์ทีเพลิน ทติดโรคหม่ะเนี่ยยังติดใจประทับใจกับเจ้าน่ายของเพิ่นอยู่วนไปหมานี่กัเพิ่นต่อมาเพิ่นกแ็แต่งการแต่งงานเขาไปมีลูกมีเต่าอมีลูกสองคนหลังจากนั้นเพิ่นก็ไอ้ทุกเฒ่าแกมา ก, กเพิ่นก็เลยตายพ่อตายปั๊บขึ้นไปวิญญาณกับพ่อมันดิ่งไปญุ่นอยู่เลอพบเพิเ่นก็มีบุญอีกต่างหาก พระพุทธเดชปฏิบัติอพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ทําบุญทําท่านครับลูกศิษย์พระพุทธเจ้าล้วนแล้วจะเป็นพระอาหารหันต์ในยุคนั้นนหมดไปบุญกุศลมหาศาลพระเพิ่นคงเพิ่นเงินเพิ่นก็คิดถึงสันสวรรค์ของเพิ่นที่เพิ่นลงมาเน่ยมาแล้วเพิ่นก็เลยปั๊บก็เลยขึ้นไปอยู่สวรรค์ไปเกิดอยู่หม่องเก่าไปเที่ยวบดขับเที่ยวดาจมว่วนั่ะยังเก็บดอกไม้บ่วท่านบ่วท่านแล้วอยู่ได้ เออยังมวนกันกบยวนไปนี่ยังพ่ะทา่านหนีจากต้นดอกใหม่อยู่แต่วัยอีห น, น้าเนี่ลงมากเกิดเ่ยตั้งหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วข้างบ่องแห้งกุ็จะขึ้นไปอีกวน่นหนไปเท่าแล้ววันหน่งไมาเดี๋เที่ยวด่าก็เลยถามอ๋อเมื่อกี้ในเจ้าหายไปใส่เพื่ อ, อเนเนี่ยมูกันวันหนไปเมื่อกี้นี่คือเจ้าหายไปใส่ก็ยังบอเห็นเมื่อกี้นะเพิ่มหามาหอดเลยโอ้ยขาไปเจ้าไปป่นแล้วไปเกิดเมื่อนมนุษย์เพื่อนเนี่ยฮะ ไปยังเกาสนไปเกิดเมื่อมนุษย์สันไปเกิดดุสัยสันเกิดกุงสวัถีแล้วสันเกิดไปยังก็ยังมาไห้เถอะันโอ้ไปเกิดตั้งหลายปีเดียวสันจนถ่าแกชรลาพอนแล้วแันหกสิบเจ็สปีเพียงคนที่ขืนมาเนี่ยวสันโอ้อายุของมนุษย์ไปเจามหาสันปัณณสันพวกเขายังพัน์หนีจากตนดอกไม้อยู่สันบารน้ก็เป็นทีสนใจของเทวดาก็เลยซักใสไลยเลี่ยมถามมนไปเป็นยังไงะ นัง่งคาร์ลีบให้ยฟางพ่อหนี่แล้วแสดงกำลังขืนตนไม่เก็บดอกไม้เยอะเหมือนเมือายุเมดบุตรเหมือนเลยลงไปเลือยเหมอนลงไปก็ไปเกิดเมื่อมนุษย์พอเกิดแล้วกันี่แหละเลยแตง่งการแต่งงานจนมีหลูกมีเต่าคนแล้ยวเออจนอายุเฒ่าแกพ่อสงวขวดเก็เลยตายนั่แหละแต่ว่ามีจิตปรารถนามีความมุ่งมั่นว่าขอให้มาเกิดเป็นโมลิบ้านของเทวบุตร วงค์ทีล่ลงไปพอมีความสุขความสบายใจก็เริได้ขึ้นมากนี่แล้วถามว่าอายุของมนุษย์หลายปันไหนเที่ยวบุตรเที่ยวบุตรถารมแล้วไปถามเทวดาขึา้นมาให ม, ม, ม่อายุของมนุษย์ในหลายปันไหนเจ็ดชิปแปดชิปปีเป็นอายุไขนะรักมนุษย์เขาเฮ็ดยังไดแดาท่นโอ้เขาก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็ตั้งอยู่ในความประมาทเป็นส่วนมาก เขาก็บระเสิสนใจสั่งคุณงามความดีอย่งม่แต่เที่ยวไม่แต่กินขาซัดซัดชีวิตกินเหล่าเม้ายาเที่ยวอสมรเลเท่เม้าไปตามประสีภาษาโอ้หนาสรดสังเวชใจนะมนุษย์เขาไม่ได้คิดถึงคุณงามความดีมีแต่ตั้งอยู่ในความประมาทเที่ยวดาวาไปเป็นอยังเที่วดาจึงอายุยืน่นพระพุทธเจ้าเป็นบอกว่า สวรรค์ชั้นจาตูมเลยร้อยปีในเมืองมนุษย์ เ, เท่ากับเมื่อหนึ่งขึ้นหนึ่งในในชั้จาตูมนไเออแล้วก็ชั้นจาตูมแล้วก็าตาวติง่งยามาทุศิตานีไล่ขึ้นไปวันไปลอยปีในสั้จาตูมเท่ากันกับชั้นดาวดึงนะจันทร์ พราะนั่นทเทวาดาผู้นี่ที่ตายลงมาที่ลงมากตายลงมากเนี่ยเออตั้งหลายปีว่นนั้นไปมาเกิดเป็นมนุษย์ตั้งหลายปีขึ้นไปเทวาดามวลนั้นขาก็ได้สามสี่ h เออหาก็ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงมั่งเขาเที่ยวยหานวันไปตั้งห่อหนึ่งตั้งหลายปีแล้วนั้นไปนี่แหละเพลินวันสวรรค์เนี่ยมียืน่นถึงขนาดนั้นแล้วเออพราะนั้นขอให้ พวกเฮานะ่ะลูกหลานจะท า, านะยาธโยมอน่ยาตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตหนึ่งหนะึ่งเป็นของหมดเทียงแถ่แน่นอนนะตายแน่ๆเอาละพ่อเนะในวันนี้นะลูกหลานนะุทธิสวนกุศลนะ้ายาถาวาริวาหาปูราปาริปูรา